มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจัดงานครบรอบ55ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่1การแข่งขันฟันรัอน5กิโลเมตรในวันที่ 14-31 มีนาคม2562มหาวิทยาลัยเทคโนโรยีรธชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น ระหว่างวันที่14ถึง31มีนาคม2562ณวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมรวมพลังความสามัคคีของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่าเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมา55ปีและหาไรายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตขอนแก่นโดยจัดให้มีการถแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ55ปีเทคนิคไทยเยอรมแนขอนแก่น ณ ห, ห้องประชุมแคร์แซดอาคารวิทยาบริการโดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองประกอบด้วยวันที่8มีนาคม2562พิธีเปิดวิหารพระพร ม, มและอัญเชิญองค์พระพร ม, มและการถแถลงข่าวการจัดงาน55ปีเทคนิคไทยเยรมันขอนแกนวันที่14มีนาคมพิธีสถาปนาวิทยาเขตขอนแกนและวันที่31มีนาคมกิจกรรมวิ่ง55ปีเทคนิคไทยเยรมันคอนแกนมินิมาราอนครั้งที่1 เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิเก่าบุคลากรนักศึกษาเคลือสิทธิเก่าชุมชนและผู้ที่รักการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งมินิมาราธอน 11.4 กิโลเมตรเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยและสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแกน่น และการแข่งขันประเภทฟันลัน5กิโลเมตรการแข่งขันรุ่น VIP ชุดแฟนซีทีมอีสานเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับการแข่งขันดาริสาตระกูลเยกรายงานกรมการค้าต่างประเทศตรวจเข้มโรงงานผลิตสินค้าป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดส่งออกไปสหรัฐอเมริกานายอดุลโชติสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าตะปูส่งออกไปสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจากกรมเพื่อใช้ในการส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบพบว่าบริษัททั้งสองรายผลิตสินค้าได้ตามเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าไม่พบการนำเข้าสินค้าตะปูสำเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาสวมถิ่นกำเนิดสินค้าไทยโดยกรมให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้กับผู้ส่งออกเพื่อป้องกันม่ให้มีการแอบอ้างใช้หนังสือรับรองเพราะหากไทยถูกสหรัฐไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่แอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยรวมและเพื่อเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นและป้องกันการแอบอ้างถิ่นกําเนิดสินค้ากรมจะยังเดินหน้าตรวจสอบกระบวนการผลิตโดยเฉพาะสินค้าที่ถูกสหรัฐใช้มาตราการตอบโต้ทางการค้าเพื่อพิสูจน์ถิ่นกําเนิดสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป